ปุชชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตานรลงศักดิ์ีนานาโยตอนสังขาร ก, กับวิสังขารไปหมดไปแล้วไม่ได้ไม่รับผมอยากจะถามว่าการปฏิบัติของผมถูกต้องไหมครับหรือขัดข้องอะไรบ้างครับ อยากทาบครับงุนหงิดอยู่ข้างในอ่ะหมุนหงิดอะไรวะจีน่ะข้างในมันค่อยงุนหงิดมันงุนหงิดอยู่ข้างในมุนหงิดอะไรทมามเป็นมุนหงิดงุนหงิดอะไรงุนหงิดไม่ค่อยมันไม่ได้อย่างใจแล้วมุนหงิดเออปฏิบัติมันได้อย่างใจแล้วมุนหงิดเออไอตัวนี้มันทําให้ช้ากเดินช้าเดินช้านะต้องตัดความงุนหงิดออกไป แล้วการปฏิบัติสงสัยก็ถามเอาถามถามถามให้ซักอยู่แล้วจะงมงูงงิดมันยิ่งงูงหงิดมันยิ่งไปไม่รอดเลยช้าเนาะเพราะงุงงิดปุ๊บก็ ม, มีอารมณ์แหละคนมีอารมณ์ของขึ้นก็คอยงูงหงิดกอยมโหอยู่ข้างในมันก็เลยโมโหก็อื่นด้วยมันจะเป็นอย่างนี้นั้นเราจะทําให้การการปฏิบัติเรืนองช้านะลสงสัยไหมทำยังไงจะหายงูงหงิดครับ ทำไงจึงหายงุนงิดแล้วเดยนขึ้นเขาวันนี้่านได้ก็หายแล้วในตอนเนี้ยนะก็ตอนนี้ก็หายแล้วอะพอลุกงงนหงิดก็หายงุนหิดเลยนะแค่แค่นั้นเองแค่ไม่รู้ตัว น, นนะแหน่ว่ารู้ตัวงุนงิดก็หายงุนงิดแล้วพอมันงุนหงิดเนี่ยล้ำสีจิ๋มจะออกมาดําคล้ําไปหมดพอมันหายงุนงิดแล้มันจะสว่างสวัย่องใส เออไอเจะถามอธิบายไปมันก็ไปมันก็อธิบายมันก็มันแกงหม้อใหญ่อ่ะเขาจะพกตนของตัวเองดีกว่าใครของมันอธิบายมันก็อธิบายรวมๆแกงมหม้อใหญ่ใครสงสัยของตัวเองก็ถามของตัวเองอ่ะแหละเอ้าว่าไงมาใหม่ถามไหมะเนี่ยนี่กับมาใหม่เนี่ยคนเก่ามาใหม่เอาวะถามของตัวเองอ่ะมันมัน เพศรวมไปมันก็ได้ผลน้อย<ม>เอาทงตัวเองเดีกว่าแต่ติดขัไดไม่เหมือนกันแต่ละคนอะ่ะ<ม>เอานูก็ได้เอาว่าไงมาเจอทนา น, น, เ, น, เ, น เ, าเห็นแต่ในเว็บเอ๊เห็นแตนในไหนเห็นแตนในไลน์ลเออว่อาะอะไรเะแควนวัชการเจ้าค่ะก็อตอนนั้นได้กันบ้านจากหลวงพ่อไปนะคะหลวงตาไปนะคะว่าพี่ตบแป้นนะคะที่กดแป้นนะคะคือกดสองอยู่ตอนนี่ก็ว่าก็กําลังฝึกอยู่นะคะ มันก็พลาดอย่างที่ว่าค่ะก็พลาดแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่อย่างเงี้ยค่ะจนกว่า จ, จะทำนานเป็นกว่าจะเป็นเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ออกไปเป็นสองอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ก็ houses, ทําอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงตาก็าเป็นปัญหาก็คือว่าก็ต้องมีสติตให้รู้เห็นอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะมันถึงยาชัดเจนแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วจิตมันก็ไม่มีการที่ว่าจะเป็น มองเห็นเป็นสองหรือว่าส่งออกไปเป็นปุงเ ป, นน ون, เป็นนุ่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไดอยู่กับจิตกับสติอยู่คู่กันแต่ว่ามันก็มีตัวรี่ว่าพาดกระช่างมันก็เอาใหม่อย่างเงี้ยค่ะจิตเวลามันมันไม่มีการตรงแต่งหรือเป็นสองอย่างเนี่ยมันก็มันก็เหมือนมีอะไรที่เป็นสติมั่นคงแล้วก็มันก็ชัดเจนดีมันก็ไม่มีความทุกข์หรือความกางังวล มันก็ใสสะอาดดีค่ะตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ไปติดที่ว่าใสสะอาดเรวก็ ร, วรู้ตัวรู้ตัวรู้อย่างเนี้ยค่ะก็มีเออมันก็รู้มันก็รู้แค่นั้นเองมันก็ไม่ออกไปเป็นเรื่องกับเราเป็นเรื่องเป็นราวให้เราต้องมาต้องมามีงานให้ติตทําอย่างนยค่ะฟังให้ดีนะเด็จค่ะธรรมชาติอะ ผู้กดแป้นก็ไม่มีธรรมชาติอะไม่มีผู้กดแป้นหรอกผู้ที่จะพยายามจะกดแป้นเนี่ยมันถูกเหมือนกับว่าปฏิบัติกดไอ้เครื่องพิมพ์ดิจอะพยายามจะเน้นให้มันถูกตัวสอนเพราะว่าตัวสับมือถือแป้นในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเล็กมากที่เราพยายามจะกดให้มันถูกไม่ให้ผิดเลยเนี่ย มันเท่ากับมีผู้กดแฟนตลอดเลยแต่ธรรมชาติผู้กดแฟนไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติของขันห้าธรรมชาติของขันห้าร่างกายกับความรู้สึกนือคิดอารมณ์ที่เป็นเวทนาสัญญาสั้งขาววิญญาณเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตั ว, ต, ว, ต, วตัวเราไม่มีหรอกไึ่งมีตัวเราเลยมีแต่ขันห้าถ้าเราพยายามจะไป เครื่องพิมพ์ดีดในโทรศัพท์มือถือที่มันเล็กมากพยายามจะปฏิบัติให้มันตรงจุดแน่วไม่พลาดเลยเนี่ยมันจะมีตัวเราอ่ะตัวเราตัวตนของเราที่มันผิดธรรมชาติมันจะเป็นอัตตาเป็นอวิชชาคือความคิดมั่นถือมั่นจะอุปทานขันห้ามมันจะไม่ดับแล้วถ้าตัวกดแป้นนม่มีผู้กดแป้นไม่มีแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เลยเป็นเดี๋ยวเนี้ยถ้าไม่มีผู้พยายามจะกดแป้นพิมพ์ดีให้มันถูกอะ แป้นพิมพ์ในโทรศัพท์มือถือจะมันเล็กมากอะ่ะถ้าไม่มีผู้กดแป้นและธรรมชาติของจริงๆแล้วผู้กดแป้นก็ไม่มีแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่มีผู้กดแป้นเลยและจริงๆผู้กดแป้นก็ไม่มีแล้วจะมีใครความทุกข์เครียดกับการที่ต้องพยายามไปทากดแป้นพิมพ์ดีให้มันถู ก, ท, กทุกขนาดจิตไหม ทีละปฏิบัติเนี่ยมันสังขารทั้งหมดเน่ยปรุงแต่งทั้งหมดวางปล่อยวางให้หมดป่อยวางให้หมดเลยต้งแปมพินดีตัวเราครงครั้งมันก็ก็ไม่มีอะไรเหมือนแต่ว่ามันก็ยังมีแต่บางทีมันก็แวบไปว่ามันไม่มีอะไรเหมือนว่าไม่มีตัวเต็มอย่างเงียค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ความคิดเท่มคือมันเห็นมันเห็นว่ามันไม่มีอะไรเหมืนกับตังปากก็อย่างนั้นไงเพราะธรรมชาติมันก็ไม่มีอยู่แล้ว ถ้าไม่มีแป้นที่ต้องพยายามกดแล้วไม่มีตัวผู้กดแป้นไม่มีตัวเราผู้ไปกดแป้นแล้วมันจะเหลืออะไรสอนให้มันเป็นอะไรก็ไม่มีผู้เฉลิ้ทุกกีริยาการจิตมันเป็นยังไงก็ไม่มีผู้เฉลิ้ไม่มีผู้รองรับเดี๋ยวมันก็ดับไปพอชีวิตแตกดับไออาการทุกอาการความรู้สึกนึกิดอารมณ์ก็ดับหมดเนอะมันก็ไม่มีอะไรกับไปสู่ความไม่มีอะไร ทั้งรู้ตั้งเห็นว่าทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นนี่ยมันไม่มีใครเสวยไม่มีใครยึดไม่มีตัวตนไม่มีตัวมีสร้างเป็นตัวตนมีผู้มาหลงเป็นอุปทานขันห้าไม่นี้จะมีแต่ขันห้าเขาแสดงกิริยาการแต่ไม่มีใครเมาเสวยไม่มีใครมารองรับก็รอจนกว่าขันห้าจะแตกหนับทุกสากก็กลับคืนสู่ความไม่มีอะไรนั้นถ้องมียามีแฟนให้กดพิมพ์ มีตัวเราพยายามจะกดพิมพ์พยายามจะดูให้รู้ให้เห็นกดให้มันถูกทุกขณะจิตอย่างเนี้ยมันมีตัวตนของเรามีอุปทานขันมันจะมีตัวเราเนี่ยจะให้ได้ดีให้ตัวเราได้ดีมันก็เลยเป็นทุกข์มากแต่มันเครียดอยู่ข้างในเราไม่รู้เพราะว่าลังสีมันออกมาคล้ําแล้วมันมีตัวตนที่ไปหุ้มไว้มันหุ้มจิตเดิมแท้ไว้ จิตเดิมแท้ปกติมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นอากาศสุดท้ายเป็นความว่างเปล่าเป็นอนันต์จั ก, กรวาลไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรให้ใครจับได้แต่นี่จิตเดิมแท้ของเรามีวงหุ้มอยู่วงหนึ่งเป็นเหมือนไฟนีออนหลอดกลมเามาหุ้มไว้และเหนือไฟนีออนหลอดกลมไปก็เป็นความมืดอีกในความมืดนัน้แสดงถึงความทุกข์ความเครียดส่วนในไฟนีออนหลอดกลมนั่นแหะเราพยายามจะปฏิบัติให้มัน ถูกต้องปฏิบัติให้พยายามเพียรปฏิบัติเพื่อตัวเราแต่ปฏิบัติให้ตัวเราเนี่ยยึดความถุกสบายยึดเบายึดสบายยึดว่างยึดให้อารมณ์เนียนนิันแต่คนจริงผิดหมดอันนี้ถูกเป็นความยึดถือหมดเลยแล้วมันก็ส่งผลให้ไอันอกไปนี่อ่อนหลอดกลมเนี่ยมันเป็นบันดามค้าก็เพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจมันเป็นความทุกข์ความเครียดที่ไม่ได้อย่างใจ สรุปแล้วคือเราปรารถนาความสุขให้แก่ตัวเราเองกันแหละปรารถนาความพ้นทุกข์ให้แก่ตัวเราเองปรารถนาให้ตัวเราในพ้นจากทุกข์ก็คือมีความสุขและทุกข์ไม่มีแต่พอเรามีความปรารถนาอย่างเนี้ยมันก็เลยมีตัวเราถูกหุ้มไปเลยตอนนี้เอามาหุ้มจิตเดิมแท้สร้างเป็นวงไว้มันก็เป็นเป็นครอบแก้วมาครอบแก้วจิตเดิมแท้ไว้จิตเดิมแท้มันเป็นความว่างเปล่ามันน่จักรวาลมันไม่มีอะไรเลยแต่พอเราไปสร้างตัวตนของเราที่ปรารถนาความสุขทุกข์ไม่มี ไปจับยึดความว่างความโปร่งความโล่งความเบาความสบายจิตใจซอฟนุ่มนวลเนียนทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เลยไปสร้างตัวตนหุ้มไว้เลยไปหุ้มไว้เหมือนเป็นครอบแก้วมาหุ้มอากาศสาัาผไว้ข้างในจิตเดิมแท้มันเป็นว่างเปล่าเหมือนกับอากาศมันจักรวาลไม่มีตัวตนแต่มันถูกครอบแก้วหุ้มไว้พอครอบแก้วที่หุ้มไว้ก็คือมีเราที่ไป ปัถนาความสุขทุกข์ไม่มีนี้เน sort of ี่ยปัดคือปัถนาความพ้นทุกข์ปัตนาพันิพยานเพมีเราไปปัถนาความสุขมันก็เลยมีความไม่ได้อย่างใจเพราะมันยังไม่ได้อย่างที่ปัถนาเราก็อยากเมื่อไหร่เนี่ยมันปัดมันบรุปนิพพานหรือได้ความสุขหรือได้ความพ้นทุกข์แล้วเราก็จะพ้นจากทุกข์ตามได้ที่ไม่ได้มันก็มีความคับแค้นใจไม่หายมีความขัดข้องอัดขับข้องใจที่ยังไม่ได้ยังไม่พบยังไม่ประสบ กับสิ่งที่เราปรารถนาความทุกข์ที่มันเหมือนกับนอกครอบแก้วไฟมันก็เลยดำำําคําเวลาเราตายแล้วเนี่ยไอ้กายหยาบเนี่ยมันจะดับแต่กายหยาบแล้วมันจะดับแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามะขันสรุปแล้วคือมันดับแต่กายหยาบซึ่งเป็นรูปะขันกับนามะขันแตไ่ไอ้ครอบแก้วที่เราไปยึดไว้เนี่ยไม่ดับแล้วก็ไอ้ความเครียดความทุกข์ตายไปด้วยความทุกข์ก็ไม่ดับมันก็พาเราลงไปอวบาย ที่ถูกมันต้องไม่มีครอบแก้วคืออุปทานขันห้าหรือมีอวิชามีตัวตนของผู้มีว่ามีเรามีตัวเป็นตนเป็นตัวตนของเรามีเราจะไปได้พบประสบสุขมีเราจะไปได้ไปรูปพระนิพพานถ้าเราไม่เราดับความหลงตัวนี้ไปได้ชื่อนก็บอกว่าหลงเนี่ยหลงว่ามีตัวเรามันไม่มีตัวเราแต่เราหลงว่ามีตัวเรามันเลยไปสร้างครอบแก้วมาครอบในความว่างไว้คือจิตเดิมแท้เป็นความว่างความไม่มีอะไรพอสิ้นความหลงเนี่ยครอบแก้วมก็ได้ระเบิดเลย พอกรอบแก้วระเบิดปุ๊บไอความดำนอกครอบแก้วเนี่ยมันก็หายไปเลยเพราะมันไอความที่มันไม่ได้อย่างใจคับข้องใจมันก็ไม่มีมันก็เลยหายไปจิตเดิมแพ้มันก็ระเบิดเป็นความว่างเปล่าอันเดียวกับจักรวาลแล้วแหละมันระเบิดอะไรหรอคือระเบิดเอาวิชาดับไปไอครอบแก้วเนี่ยถูกระเบิดออกไปไอความดำนอกครอบแก้วก็ไม่มีเลยกลายเป็นความว่างอันเดียวกับจักรวาลเป็นอันเดียวกันพอกันห้าแตกดับรูปประคันแตกดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ ซึ่งเป็นนามขันเนี่ยคือไอ้ผู้กายหยาบเนี่ยแล้วก็นามหยาบเนี่ยก็ดับไปหมดไอ้ผู้ยึดภายในก็ดับด้วยเพราะว่ามันไปสร้างผู้ยึดไว้ซึ่งเป็นไอ้คอรอบแก้วหรือว่ากายโปร่งแสงไว้มันก็ดับไปด้วยก็ไม่มีใครมาจับเอาไปได้โยมมาสู้โยมมาลก็หาไม่เจอเพอแม่ครูบาอาจารย์ที่มีจิตคุมขมรู้ว่าละจิตได้ก็มองไม่เห็นอะไรแล้วทุกอย่างแลยแต่ความว่างเปล่ามองไม่เห็นความทุกข์ความเครียด มองไม่เห็นขอบแก้วจริงเราไปสร้างมาจับยึดไว้แล้วนอกขอบแก้วเป็นความทุกข์ความเครียดไปไม่มีเหลือแต่ความว่างเปล่าไม่มีผู้สเสวยมีแต่ความว่างเปล่าไปหมดแต่ขันห้าเขาก็ยังคงแสดงของเขาอยู่แต่ไม่ปรากฏให้เห็นว่าคิดอะไรมีอารมณ์อะไรได้เพราะว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อ่ะมันแสดงอยู่ในความว่างเปล่าในความไม่มีอะไรจึงไม่มีอะไรมารองรับทําให้แม้แต่เทพเวดาหรือว่า ผู้รู้หรือกูบาจารย์ที่ท่านแม่นก็อ่านไม่ออกว่าเราคิดอะไรเพราะว่ามีแต่ความว่างกับมีกิริยาการของจิตเกิดขึ้นแต่จริงแต่ไม่ปรากฏอะไรให้อ่านได้เปรียบเหมือนกับไอเครื่องฉายร่างกายเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์คือเครื่องฉายที่มันฉายฉายภาพฉายสารคดีฉายภา พ, า ย, าา ย, พยนตร์เข้าไปในจอจอที่เอาจอมารองรับอ่ะในส่วนในข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มาเสียบกับไป็เครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับ ใจิตใจที่ปรุงแต่งคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ซึ่งเป็นนามะขันส่วนรูปประขันก็เหมือนในเครื่องโปรเจคเตอร์ที่เป็นเครื่องฉายคราวนี้ถ้าเรายังไม่ตายขันห้าคือรูปประขันและนามะขันเนี่ยมันก็ยังฉายอยู่คือยังต้องมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์กับทํางานทํากิจกรรมทําอะไรตามปกติแต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันแสดงทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันฉายขึ้นท้องฟ้า มันฉายไปสู่อากาศที่ว่างเปล่าคือใจมันว่างเปล่าฉายไปในใจที่ว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรรองรับก็เปรียบเหมือนฉายไปในอากาศฉายไปท้องฟ้าต่อให้เทพเจ้ดาหรือยมบาลหรือว่าอรูบาอาจารที่แม่นเนี่ยมันก็อ่านไม่ออกว่าไอ้เรื่องที่ฉายไปเนี่ยมันฉายเรื่องอะไรเพราะว่ามันฉายไปในความว่างเพราะใจเป็นความว่างแล้วไม่มีผู้มารองรับมันไม่มีจอมารองรับมันก็อ่านไปอ่านไม่ออกว่ามันฉายอะไรเพราะเอาเครื่องโปรเจคเตอร์มาฉายเข้าไปบนท้องฟ้ามันฉายเรื่องอะไรใครจะไปอ่านออกมันก็ไม่มีใครอ่านออก แต่นี้ถ้าเรา ม, มีเอาวิชาคือความจริงตัวตนไม่มีแต่เรายิดว่าเรามีตัวตนเราก็ใจผิดว่าเรามีตัวตนเราจะเอาตัวเราไปหาความสุขทุกข์ไม่มีจะแสวงหาความพ้นทุกข์เอาเอามีตัวเราจะบรรลุพระนิพพานเราก็เลยไปสร้างครอบแก้วมาหุ้มจิตเดิมแท้ที่เป็นความไม่มีตัวตนเป็นความบ้างเปล่าหรือเดียวกับจักรวาลเอามาหุ้มอากาศไว้ข้างในเหมือนกับเอาครอบแก้วมหุ้มอากาศไว้ข้างใน ไอจิตเดิมแท้ไม่มีตัวตนนี่ะแต่เวลาเขามาจับเอาไปมาจับตรงไหนมัาจับไปคอบแก้วไปทั้งคอบแก้วเลยเพราะมันถูกขันอยู่ในครอบแก้วครอบแก้วมันไม่แตกนะไอจิตไอกายปร่งแสงมันไม่แตกไออวิชาที่สร้างไว้มันไม่ดับอุปทานขันห้ามมันไม่ดับขันห้ามมันดับแต่อุปทานมันไม่ดับมันกล้งครอบแก้วไว้เขาก็มายกเอาไปทั้งคอบแก้วไปลงโทษเอาไปสํารวจว่าเนี่ยทําจิตอะไรมาก็สํารวจได้ครอบแก้วแล้นี่ยถ้าครอบแก้วดับแล้วมันก็หาไม่เจอหายไปไหนวะเพราะมัน จิตเดิมแท้มันกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลนีน่ที่พระเจ้าตัดได้ที่บอกว่าพระโกติกาฆ่าตัวตายยมาโทษโยมาบ า, มาลมันรอตั้งานานแล้วแต่พอพระโกติกาเสือดคอตายหาไม่เจอหาจิตเดิมแท้หาจิตวิญญาณของพระโกธิกาจะเอาไปลงโทษไม่เจอหาไม่ได้เพราะปกติเสือดคอตายเนี่ยมันจะต้องรับผลกรรมที่ยังเหลือที่ว่าหนีกรรมไปเพราะมันยังยังรับกรรมยังใช้กรรมไม่หมดเสีอดคอตายหนีไปก่อนละ ต้องชดใช้กรรมที่เหลืออา้าวหรื อ, อยังไปต้องชดใช้กรรมใหม่อีกเจ็บคอตายต้ไปต้อไปฆ่าตัวตายฆ่าร้อยชาติอา้าวแล้วหายไปแล้วหาไม่เจอหายไปไหนเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระโคติกาเ ร, ราไปถามพรุทธเจ้าโยมทศโยบาลหาวิญญาณของพระโคติกาไม่เจออ้าวทำไมหาไม่เจอเลยไปถามพรุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าพระโคติกาบรรลุอรหันต์แล้วสิ้นความหลงว่ามีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนไปยึดอะไรแล้วมาเลยถึงซึ่งจิตเดิมแท้ๆซึ่งเป็นความว่างเปล่าเดียวก็ ธรรมชาติจักรวาลพอตายแล้วเลยหาไม่เจอเลยมันหายตัวไปเลยหายตัวไปจิตเดิมแท้หายตัวไปเพราะไม่ได้หายตัวไปไหนหรอกเขาเป็นความไม่มีอะไรเหมือนธรรมชาติจักรวาลอยู่แล้วแต่ที่มีตัวอยู่เนี่ยเป็นเป็นแค่ตัวสมมุติไว้ยังไม่ตายพอตายแล้วมันก็เลยตัวสมมุติหายไปหมดไปถึงก็เรียกว่าวิมุดมันเลยหายไ ป, ปหมดไปเป็นวิมุด<อ>หรือว่าสังขารน่ะดับหมดไปเป็นวิสังขารหายไปหมดเลยไปเป็นวิสังขารแทน ดันั้นไม่มีหรอกพอดีเรามีตัวเราไว้มีตัวเรายืนพื้นไว้ตัวเราไปจับสบายจับว่บบานจับโลงจับความทุกข์ดิ้นรนแสวงหาความทุกข์ให้แก่ตัวเราเองมันก็เลยไปสร้างครอบแก้ไว้ทุกเขาจับได้นะเข้าใจไม่ที่เราพูดเนะี่ยเอาสักให้ละเอียดก่อนเดี๋ยวซักตรงนี้ให้ขาดกันสักซักักักตรงนี้ก่อนเขเนาักให้ให้ชัดเจนให้ละเอียดให้ขาด เขาใจยังไงเนี่ยที่เราพูดเนี่ยเขาใจว่าเข้าใจแล้วเขาใจยังไงแล้วก็สักเขาสักเราต่อไเนี่อความตนที่เราไปปรุงแต่งเราไปยึดว่าต้องทําให้มันพ้นคือไม่ให้มีอะไรเลยแลคือยังมีตั ว, ย, ตวยังมีตัวผู้ทําอยู่ให้ให้ได้สิ่งที่ตัวเองตั้งไว้อ่เป็นความพ้นทุกอะไรอย่างนี้ค่ะตอนี้พอมันไม่มีตัวตนแล้วมันก็เป็นแต่ว่ากิริยาอาการทําไปแล้วไม่มีตัวตนก็ไปทํา ก็เป็นสติคือทับรู้ไปอย่างนั้นรู้ไปเห็นไปรู้ไปเห็นไปอย่างนี้ไม่ไปไม่ไปยึดสิ่ ง, งต่างๆที่เรากระทบไปเนะะียค่ะว่าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็คือให้รู้เฉยๆ ร, รู้รู้สักแต่ว่ารู้อย่างเนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีตัวตนเข้าไปยึดไป มีตัวเองเข้าไปในแทรกในสิ่งต่งางๆที่กระทบนะคะก็คือมันก็เป็นแค่จิริยาอาการเท่านั้นเองถูกต้องไหมคะหลวงตาถูกต้แล้วี่ค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่เราแอบดู ก, ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดคือเรียกว่าสิ้นผู้สเสวยแต่ท่านเล่าว่าแหมดอกพูธคำราชาสัอสิ้นผู้สเสวยเอ๊ะทำไม อ่านไม่ออกว่าท่านคิดอะไรมีอารมณ์อะไรทำไมคนอื่นอ่านออกหมดแต่ทำไมเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ละจักได้อ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ได้เลยยอมแพ้หลวงปู่สิ้นผู้เสวยแนละ้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ้นผู้โสวยอดอกคําราชาศัพท์เราก็ต้องจะโดนท่านอัดแล้วโดยเฉพาะท่านบอกว่าเขาเรียกสิ้นผู้กินอาการหรือสิ้นผู้ยึดถืออาการเมื่อสิ้นผู้กินอาการสิ้นผู้ยึดถืออาการมันก็ไม่มีทุกข์พอไปมีผู้ยึดมันก็มีผู้ทุกข์ สิ้นผู้กินอาการสิ้นผู้ยึดถืออาการมันก็ไม่มีผู้ทุกผู้ยึดถ้ายังมีผู้ยึดอาการผู้กินอาการมัจะยึดนู่นยึดนี่ด้วยยึดรูปเสียงกลินรสสัมผัสถ้ายังมีผู้ยึดอยู่มันก็ทุกขณะที่ยึดมันก็เป็นกิเลสไม่มีผู้สิ้นผู้ยึดก็สิ้นกิเลสผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเนี่ยมันก็สิ้นทุกข์ด้วยเพราะไม่มีผู้ยึดเขาเรียกว่าพระอรหันต์เออแล้วก็ว่าโอ้พระแม่ผูู้บาจาแต่ละท่านที่ท่านพนแล้วท่านก็เป็นอย่างนี้หมด แต่คนอื่นละปักได้ปักได้หมดอ่ะเพราะอะไรล่ะมันมีครอบแก้วมีจอรับภาพคือใจมันใจมันไม่เป็นจอกมันไม่เป็นใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนมันกลายเป็นใจยมันมีสภาพที่มีตัวตนไปจับไปยึดไว้เวลาพอมีอารมณ์มีความคิดหรือกระทบอะไรมันเป็นจับไปยึดมีตัวจับยิตไว้ไอ้ตัวจับตัวยึดมันไม่ถูกทําลายไปในในความหลงเรียกว่าอวิชามยังมันหลงมีตัวผู้จับมียึดคือตัวเรามีตัวเรามีตัวตนของเราไปจับยึดอะไรหมด แล้วพอมันสบายก็พยายามจับยึดความสบายพอมันไม่สบายก็มีตัวเราไปที่โดนผักใสอาการที่ไม่สบายมันก็เลยมีตัวเราไปจับประยุทธ์เขาก็เลยอ่านได้ไว้ที่ตัวจับยึดนี่ยอ่านที่ตัวจับยึดได้เวลาจะมาทู้จะมาบาลก็มาเอาไปเาก็มาเอาไอ้ตัวที่ไปจับยึดนี่นะ่ะอันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเลยมีตัวจับยึดแล้วเกิดอะไรก็ posso, ตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลยมีกิริยาการใดๆยังไงก็ตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลยมันเป็นเพียงแค่กิริยาจิตตามธรรมชาติ เวลาท่านโมโหก็โมโหพุ่งขึ้นมาเลยแล้วก็ดับไปท่านเองท่านไม่มีแค้นเคืองค้างคาไม่มีผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไม่มีว่าโมโหแล้วพยายามไปปล่อยวางไม่หนีหรอกคือมันพุ่งพรวดขึ้นมาแล้วปรดับมันเองท่านไม่มีแค้นเครืองค้างค า, งาโกรธแค้นใครแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะเป็นกริาานกกริยาการจิตตามปกติมีแต่กิริยาการหนนจิตกิริยาการหนนจิตแต่ผูเ้เสวยนี่มีครูไปยึดมั่นถือมั่นนี่มีเพราะแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านทานท่านก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยเราเห็นมา แต่ทุกอง์ก็เป็นอย่างนี้ทุกองตีเทียนตีธารบรรลุแล้วเหมือนกันหมดไมนมีใขรไม่มีขครไม่มีผู้ยึดคัดมันเหมือนกันหมดแด่ไอ้ขันห้ากิริยาการของจิตอารมณ์มีมีเหมือนกันพวกเหมือนพวกเราตามปกตินี่แนะไม่ใช่ปฏิบัติให้ผิดปกติอะไรมันมีเหมือนพวกเราตามปกติเลยกิริยาการของจิตความรู้สึกหรือคิดอารมณ์มีความหิวง่วงนอนอะไรก็เหมือนพวกเราทุกคนเลยเนี่เวลาพูดออกมากก็เหนื่อยเห็นไหมพูดมากันเหนื่อยเราทํางานออกมากก็เหนื่อยมันก็เหมือนกันนั่นแหละ แต่ท่านขาดดูอย่างเดียวคือคือเป็นอะไรแล้วไม่มีไม่มีไม่มีตัวเราเนี่ยเข้าไปเสวยไปรองรับไปยึดมั่นถือมั่นไม่ดีรักชั่วชังเกียดทุกข์รักตุกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะตรงไปตรงมาไม่มีใครดีรักชั่วชังเกียดทุกรักตุกแล้วก็ไม่มีตัวเราพยายามไปไปหาอะไรตัวเราจะไปเอาอะไรให้ได้จะไปหาอะไรผมไม่ได้มันขับห้องใจมันขับแคสอืดอัดมันไม่ได้อย่างใจสักทีมันก็เลยกลายเป็นดําไปหมบคำนั้นเพราะท่านไม่มีไม่มีตัวที่ไปยึดท่านขาดอยู่ตัวเดียวคือตัวไปยึด กิริย า, าการของจิตอขันห้าเนี่ยไม่เหมือนปกติพวกเราเนี่ยแต่ท่านขาดอยู่ตัวเดียววพาแม่ครูอาจารย์เนี่ยพระอรหันเนี่ยขาดตัวผู้ประยิดไปรองรับแค่นั้นเองตัวเนี้ตัวสาคัญอขอเคขาดขาดของตามันไม่ใช่ง่ายเลยเจ้ค่ะบางครั้งเนี่ยนี้ของตาสอนแสดงตรงนี้นะคะลูกก็เป็น มันก็ไม่มีตัวเสวยบางครั้งนะคะบางครั้งมันก็มีอยู่น ะ, ะมันก็ดึงไปดึงมาอยู่นียค่ะแต่แต่ลูเข้าใจตรงนั้นว่าไม่มีผู้เสวยเนี่ยข้าใจค่ะแต่ว่ามันมันอดไม่ได้คือตัวมันยังมีตัวอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะยังมีตัวผู้เสวยอยู่อันนี้ก็ก็ต้องเพียนตรงนั้นให้ได้แต่ไม่ได้ว่ามันมันไม่มีตัวเสวยเนี่ยมัน ฉันสุดยอดเลยค่ะเหมือนกันใช่เี้ยนเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยโยนิโสมนัสิการคือว่าเราจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ที่ว่าเรามีตัวมีตนไม่มีตัวมีตนนต่เปลี่ยนเสื้อใหม่ให้เราเนี่ยไม่มีตัวมีตนตอนที่เรายังปฏิบัติไม่ยังไม่สามารถที่จะสิ้นความหลงว่ามีตัวมีตนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ตัวตนมันไม่มีไม่มีตัวตนเราหลงเองเนี่ย คือเราเนี่ยหลงเอต้องบอกว่าเรานี่มันหลงเอตัวตนมันไม่มีไม่มีความจริงตัวตนมันไม่มีตัวเราก็ไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าธาตุรู้เนี่ยมีแต่ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลเนี่ยตัวตนมันไม่มีมันมีแต่รู้มีแต่รู้แต่ตัวตนมันไม่มีธาตุรู้หรือวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้แต่วิญญาณเน่ยไม่ใช่แปลว่าผีเหมือนคนทั้งหลายไปแปลว่าวิญญาณแปลว่าผีอันนั้นมายถึงวิญญาณที่ไปยึดตั้งยึดนี่มันเลยเป็นผีจริงที่เราจับไปได้ แต่วิญญาณแท้ๆที่ไม่ยึดอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้ตัวตนไม่มีกิริยาการหนุจิตไม่มีไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างเลยนะคือมันว่างจากตัวตนไปเลยมันไม่มีตัวตนเลยไม่ใช่เอาเป็นความรู้สึกว่างๆที่เขาพยายามไปสร้างความรู้สึกไว้ในใจคือมันมีอะไรได้แต่สักตะวันรู้รู้นั่นแหะคือธ ร, รรมชาติสุตปัตแท้ๆของเขาเลยคือมันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันได้แต่สักตะวันรู้หรือรู้อย่างตรงไปตรงมาตามธรรมชาติเลยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยพยายามไปรู้อย่างตรงไปตรงมา เราต้องมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงตรงเนี้ไว้ในใจของเราโดยแยบขายอย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็ทุกขณะปัจจุบันช่วยมีสติปัญญาเนี่ยให้มันปล่อยวางความเป็นตัวตนทุกขณะที่เราหลงเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปเองแล้วมันกระดับมันไปเองอย่ามีผู้ก็ไปเสวยจะมีผู้ก็ไปลองรับจะมีผู้ก็ไปยึดมั่นถือมั่นอย่าดีรักชั่วชังอย่าเกียดทุกรักถูก จะมีตัวเราที่จะไปได้อะไรจะไปเอาอะไรจะเป็นอะไรให้มันมั่นอยู่ในใจอย่างนี้ว่ามันไม่มีหรอกมันมีแค่พุทธกิ ร, ริยาการที่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปเองหายไปเองดับไปเองหายไปเองเราไม่มีตัวเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติของธาตุรู้มีแต่ธรรมชาติของธาตุรู้หรือธาตุารู้ตามธรรมชาติที่เขาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้ตัวตนไม่มีกิริยาไม่มีรูปพัณฑ์สถานไม่มีเ <c oughs> ขาเป็นอะสลีลังหรืออสะสลีระสลีระเนี่ยสลีระ คือมีลูกพันธสถานเขาไม่มีลูกพันธสถานอะไรเลยรู้เนี่ยมีแต่รู้และรู้เนี่ยก็ทั้งไม่สว่างด้วยทั้งไม่มืดด้วยทั้งไม่ฟองใสด้วยทั้งไม่เศร้าหมองด้วยทั้งไม่ยาวทั้งไม่สั้นทั้งไม่ขาวทั้งไม่ดําเขาได้แต่รู้อเขารู้ว่าว่างเขาก็รู้ว่าว่างสงบก็รู้ว่าสงบฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านสบายก็รู้ว่าสบายไม่สบายก็รู้ไม่สบายเขารู้ซื่อๆอย่างที่มันเป็นไปตรงเป็นไปเป็นมาตรงๆเขาไม่มีอาการใดๆ ดังนั้นเนี่ยรู้มันจึงไม่ได้ว่าสงบรู้มันจึงวะก็เชื่ว่ารู้เนี่ยมันว่างรู้นี่มันสบายรู้นี่มันโปร่งรู้มันโล่งรู้มันเบาือไพวกอันนี้มันเป็นอาการที่ถูกรู้หมดความว่างความโล่งความโปร่งความเบาความสบายความสงบมันเป็นกิริยาการที่ถูกภาดรู้เนี่ยมารับรู้ทั้งหมดเลยคาดรู้เขาก็ได้แต่รู้ซื่อๆอย่าตรงไปตรงมาว่าตอนเนี้ยจิตใจมันมีความว่างโล่งมีความว่างมีความโล่งมีความโปร่งมีความเบามีความสบาย มีความสว่างเกิดเจ้ามากเลยเหล่านี้ยไม่ใช่ท่านรู้ไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่พิชชมันได้แต่รู้ว่าตอนเนี้ยกิริยาการของจิตมันว่างมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันสว่างมันสงบนั้นว่างโล่งโปร่งเบาสบายสงบไม่ใช่รู้มันเป็นกิริยาการของจิตที่เราต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันก็ไม่ว่างไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายไม่สงบอ้าวท่านรู้ก็ได้แต่รู้อีกแหละ มันรู้อย่างตรงไปตรงมาอย่าไปหยหาอาการที่มันว่างโล่งโปรเบาสบายสงบให้รู้อย่างธรรมชาติของชาตรู้กันแดดแจนรู้ซื่อฮู้ซื่อฮู้ซื่อหลวงปู่ท่านนะหลปูทานพระแม่กูบอาจาหลวงปู่ประสัยอิสานฮู้ซื่อให้ฮู้ซื่อฮู้ซื่อประสัอิสานใครอิสานต้องรู้เลยนะฮู้ซื่อฮู้ซื่อเนี่ยคือเจ็บตัวเราเนี่ยไปรู้ไปฮู้ซื่อไปรู้ซื่อๆนะธรรมชาติของชาตรู้เนี่ยเขาต้องทําหน้าที่รู้ซื่อเพราะว่า เขาไม่มีกิริยาการใดๆเลยเพราะกิริยาการใดๆที่มันเกิดขึ้นะเขาก็ได้แต่รับรู้วตอนนี้มันมีกิริยาการแบบนี้เกิดขึ้นในใจเป็นกิริยาการของจิตที่เป็นอย่างเนี้มันเป็นเรื่องของขันห้ากิริยาการจิตเป็นขันห้าตามธรรมชาติเราตายแล้วพวกกิริยาการของจิตพวกนี้มันดับหมดส่วนธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธาตุมันเลยไม่ดับเพราะว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติตัวตนไม่มีรูปพันธสัมพันไม่มีและธาตุเนี่ย มันต้องไม่ว่างมันไม่มีกิริยาการจิตไม่ได้แต่รู้กิริยาการจิตมันมันเลยธาตุเนี่ยมันไม่ได้ว่างโล่งโปร่งเบาสบายสว่างสงบมันได้แต่รู้ว่ามีกิริยาการของจิตอย่างนี้ไอ้ส่วนว่างโล่งโปร่งเบาสบายสงบเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตลางเปลี่ยนไปเพราะว่ามันเป็นกิริยาการของจิตมันก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่ว่างไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายใจไม่สงบฟุ้งก่านแต่ธาตุรู้มันก็ได้แต่รู้ซื่อๆมันเป็นคุณสมบัติของธาตุรู้ที่ต้องรู้ซื่อๆคือรู้อย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ที่ ที่ตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าตรู้ก็ได้แต่รู้ซื่อๆแต่ตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีมีแต่ขันห้าขันห้าก็เป็นยังไงธาตรู้เขาก็รู้ได้แต่ซื่อๆพอตายแล้วเนี่ยขันห้าก็ดับหมดรูปขันก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับแต่ธาตุเนี่ยธาตุดินมันก็ไปเป็นดินซะน้ําก็ไปเป็นน้ําลมก็ไปเป็นลมธาตุไฟมันก็ไปเป็นไฟธาตุรู้ก็ไปสู่ความว่างเปล่าไปเป็นแต่รู้ที่ไม่มีตัวตนมันก็แยกย้ายกันไปคนละธาตุแต่รู้เนี่ย มันไม่หลงแล้วไนงะความหลงมันดับความหลงว่ามีตัวตนเนี่ยในในธาตุดินน้ําลมไฟซึ่งเป็นร่างกายแล้วก็ธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตจิตใจที่รู้นั่นรู้นี่รู้ต่างๆเนี่ยที่เป็นธรรมชาต ข, ของธาตุรู้เนี่ยห้าธาตุเนี่ยมารวมกันดินน้ําลมไฟแล้วธาตุรู้มารวมกันมันมารวมกันเพราะมันยังมีอวิชชาอยู่อวิชชาก็เปรียเหมือนมีกาวเหนียวเนี่ยมีกาวเหนียวอ๋อมีมีกาวเหนียวเหนียวเนี่ ย, เ, ยเอามาเอามาติดในห้าธาตุเนี่ยธาตุดินน้ําลมไฟกับธาตุรู้เนี่ย เอามาติดกันได้ทําให้มาปั้นมัเป็นตัวเราได้เดี๋ยวไปเป็นตัวสัตสี่เท้าเป็นตัวสักเลื้อยคานเป็นตัวสักปีกเป็นตัวเป็ดอสุรกายเป็นตัวสัตว์นรกเป็นตัวเทพเทวดาเป็นตัวมนุษย์ต่างๆคือไอ้อาวิชชาเนี่ยเหมือนกาวเหนียวเนี่ยมันยังไม่หมดมันก็ยังมีอาวิชชาอยู่มันก็มาเอาไอ้ธาตุมาปั้นได้ปั้นเป็นตัวน้กคนนี้พอกาวเหนียวมันหมดแล้วอาวิชชาดับหมดอ่ะมันก็ไปธาตไขครธาตุมานํามาปั้นไม่ได้แล้วมันหมดยางเหนียวเขาเรียกว่าวิราคะวิราคะที่แปลว่าหมดยางเหนียว จำจเป็นพอพอเป็นวิราคาพวกหมดยางเหนียวก็เป็นพิมุตและเป็นพิพานคือพ้นจากทุกไปดงนั้นไอ้ตัวที่มันปั้นได้ก็คือเนี่ยไอ้วิชานี่เนี่ยพอวิชาดับเนึ่ยก็เป็นพิมุติแล้วก็เป็นวิราคาจะหมดยางเหนียวมันก็เป็นพิมุตดงัง น, น, นั้นไอเราตัวเราไม่มีมีแต่ห้าธาตุมารวมกันร่างกายสี่ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้ที่มันมีลูกพั น, สนธสถานัสได้เลยแต่แต่รู้รู้รู้แต่ตัวตนมันไม่มี และกิริยาอาการมันไม่มีมันเป็นห้าธาตุมารวมกันเวลาตายแล้ววัยขันห้าเนี่ยห้าธาตุที่มารวมกันเป็นขันห้าคือมีร่างกายมีจีมีความรู้สึกึีคิดอารมณ์ีหรือเราเรียกว่ามีมีจิตใจขึ้นมามีความรู้สึกมีกคิดอารมณ์ขึ้นมามันมาจากไอห้าธาตุเนี่ยมารวมกันแล้วก็อวิชาแล้วก็เลยเกิดตาหูจมูกริมกายใจเรียกอายาตนะภายในไปนกระทบกับอายาตนะภายนอกรูปลดจีนเสียงสัมผัสทําให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย มันก็หมุนวนไปในในขันห้าเหล่านี้เนะี่ยพอตายแล้วขันห้าก็ดั บ, บหมดเหลือแต่ธาตุไอธาตุดินนะ่ะเวลาตายแล้วเป็นไงอ่ะธาตุลมหายใจมันหนีไปก่อนแล้วแต่ธาตุรู้มันหนีไปก่อนแล้วนะธาตุรู้มันออกไปก่อนแล้วธาตุรู้ออกไปแล้วฤลษ์สี่ธาตุคือร่างกายคือดินน้ําลมไฟลมหายใจก็หายใจไม่ออกหายใจเฮือกลมหายใจก็ดับลงพอคนลมหายใจเสร็จไอธาตุไฟก็ ดับลงตัวเย็นชื้นตัวนี้กเือธาตุดินธาตุน้ําเริ่มเน่าแล้วเน่าก็กลาไปเผาธาตุน้ําก็ระเหยไปหมดเหลือธาตุดินก็เป็นขี้เถ้าที่สุดของมันเนี่ยมันก็เหลือแต่ธาตุไปจนถึงที่สุดของเขาคือเหลือเป็นธาตุซึ่งทําลายไม่ได้แล้วก็กลายไปเป็นดินไปทําลายที่สุดก็เป็นดินไปทําลายที่สุดก็เป็นธาตุน้ําทําลายที่สุดก็เป็นธาตุลมทําลายที่สุดก็เป็นธาตุไฟแล้วทําลายที่สุดก็เป็นธาตุรู้ไอ้ห้าธาตุทาลายไม่ได้แล้วมันมันเป็นที่สุดของมันเสลือในดินน้ําลมไฟก เพราะมันมันอเป็นธรรมชาติที่มันไม่รู้สุดแล้วก็ไปเหลือใที่มันยุ่งยุ่งอยู่นี่ก็คือว่าที่เราหลงเนี่ยคือมันรู้มันไม่ใช่รู้อะซื่อๆมันรู้ไปยึดด้วยมันก็เลยไม่เป็นธรรมชาติของภาตรู้เราเรียนรู้ธรรมชาติคือรู้แล้วยึดธรรมชาติของรู้เนี่ยมันรู้ซื่อๆตามธรรมชาติคือเป็นอย่างเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นแ่ะตรงไปตรงมาแต่กิริยาการของจิตสิมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันว่างโล่งโปร่งเบาสบายมาก ไม่ว่างโล่งโป่งเบาสบายบ้บ า, บางก็สลับไปสลับมาทุกบ้างทุกบ้างทุกบ้างทุกบ้างสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างสบายกายบ้างไม่สบายกายบ้างก็สลับไปสลับมาอย่างนี้แหละแต่รู้เนี่ยมันจะได้แต่รู้จนกว่าจะตายเมื่อไหร่เนีอ้กิยาการทั้งหมดเนี่ยมันก็หายไปดับไปเลยก็เหลือแต่ดินน้ำลมไฟแล้วก็่านรู้ซึ่งหายกลืนหายไปในธรรมชาติจักรวาลเขาตัวตนไม่มีเหลือแต่รู้ไอ้รู้เนี่ยก็ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่อีก ไอ้ตรงนี้มันทำลายไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุมันที่สุดของมันก็ได้แต่รู้หายไปในธรรมชาติแต่เป็นรู้แบบเดียวกับแต่เป็นหนึ่งเดียวกับรู้เนี่ยที่เป็นพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับไปแล้วที่ท่านสิ้นยึดแล้วก็เป็นรู้หนึ่งเดียวกันหายไปในความว่างกลายจะเป็นความว่างนะไม่ใช่ว่ามีตัวเราอยู่ในความว่างมันกลายไปเป็นความว่างเหมืนกัเป็นเรื่องเดียวกันเป็นความว่างเพราะว่ามันเปรียบเหมือนอย่างเนี้ยไอ้รู้เนี่ยไม่มีตัวตนเนี่ยแต่ธรรมชาติของมัน่ะ มันเหมือนกับเป็นอากาศเป็นจักรวาลที่ว่างเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยพอเรายึดสิ้นยึดแล้วเนี่ยเปรียบเหมือนพอเราสิ้นยึดปุ๊จิตเราเป็นน้ากันเนี่ยจิตเราเป็นน้ํากันแล้วสมมุตินะสิ้นยึดแล้วเนี่ยพอเราพอสิ้นยึดปุ๊บพอตายพอธาตุขันแตกดับปุ๊บขันห้าแตกดับไอ้น้ํากันเนี่ยมันก็หยดลงไปในน้ําทะเลหรือน้ําในน้ําในคลองบึงเนี่ยพอหยดลงไปในน้ำแล้วเป็นยังไงไม่ใช่ว่าน้ําของพุทธเจ้า พอสำเร็จพุทธเจ้าสาเร็จปรหธานแต่ละองค์อะสำเร็จเป็นเราสำเร็จแล้วด้วยคือสําเร็จก็คืออะไรอวิชาดับคือความโง่ความหลงที่คิดว่ามีตัวมีตนเนี่ยมันดับแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้ำใครน้ํามันคือธาตุรู้ของใครของธาตุรู้ของมันเนี่ยซึ่งมันเป็นความว่างเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็คืนหายไปเป็นเนื้อเดียวกับความว่างเหมือนกับน้ํากันเนี่ยก่อน้ํากันพุทธเจ้าองค์นั้นองค์งนี้องค์นี้ประาองค์นั้นองค์นี้พอเราไปเป็นน้ากันแล้วก็เหมือนกันพอหยดลงไปในน้ำทะเลปุ๊บมันไม่ปไปหยดองไขของมันน่ะีป น้ำหยดตรงนี้กองไว้ตรงนี้กองไว้งนี้กองไว้เจ้ากองนี้มันไม่เป็นกองหรอกมันเป็นธาตว่างงมันก็เลยแวบหายไปเลยไอ้น้ําหมอนกันเนี่ยพอหยดลงไปน้ําปุ๊บมันก็แวบหายไปในน้ําเนี่ยไปตักเอาขึ้นมาถ้าสมมติว่าเปรียบไอ้ธาตรู้เป็นน้ําเนี่ยไปตักเอาน้ํามันขึ้นมาจะพูดได้หมดอะน้ําเนี่ยนเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอารหันต์และท่านเราเนี่ยเป็นสิ้นยึดแล้ว ก็เป็นน้ําเราของเราด้วยเหมือนกันแหะไปเป็นหนึ่งเดียวกันคือตักอันไหนมาก็เป็นอันนั้นหมดเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไงเหมือนน้ำที่มันเทลงไปปุ๊บแล้มันก็แวบหายไปเป็นเนื้อน้ําเดียวกันนั้นไปตักน้ำมาขันหนึ่งเนี่ยเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยพระอรหันเนี่ยหรือเราถ้าเราสิ้นยึดแล้วก็เป็นอันเดียวกันเั้นเวลามันเิ้นยึดแล้วเนี่ยพอมันดินมันก็ไปดินน้ําก็ไปน้ําลมก็ไปลมไปก็ไปไฟการรู้มันก็ไปสู่ความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลก็แวบหายเป็นเนื้อเดียวววกกันอาาาจจะล่่ได้ ที่ได้มีความว่างที่นั่นมีพรพุทธเจ้าพระอรหันต์และถ้ามีเราเนี่ยที่ยึดและเป็นนวิชาก็มีเราด้วยแต่ตัวเราไม่มีหรอกไม่มีตัวตนอะไรเป็นแต่ธาตุรู้เป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ไปเป็นหนึ่งเดียวกันหมดไปดูในหนังพระเจ้าหมหาสัส ด, า, สสดาโลกใช่ไหมที่ว่าอานนท์ตอนจบไปดูดิครับไปดูตอนจบไปตอนจบอ่ะอานนท์ที่อานนท์เผาเสร็จแล้วอานนท์ไปยืน เศร้าอยู่ที่ริมน้าอ่ะริมทะเลริมน้ำอ่ะแล้วก็มีใบโพพัดมาแล้วใบโพก็มาผัดมาโดนตัวแล้วอานนก็จับอยู่อานนท์เนี่ยเราอยู่ในทุกที่นะเราอยู่ในใบไม้ที่เจ้าถือไว้ด้วยเราอยู่ในแสงแดดเราอยู่ในอากาศเราอยู่ในลมเราอยู่ในน้าเราอยู่ในทรายที่เจ้าเดินเราอยู่ในตัวของเจ้าด้วยเราอยู่ในใจของเจ้าด้วยเพราะในร่างกายเราก็มีธาตุทุกธาตุแล้วก็มีธาตุว่าง เราอยู่ในทุก <Light> ท <ing> ี่เราอยู่ในร่างกายของเจ้าเราอยู่ในใจของเจ้าเราไม่ได้ตายเพราะเราไม่เคยเกิดธาตุรู้ไม่เคยเกิดเพราะธาตุรู้ไม่เคยมีกิริยาอาการธาตุรู้มันได้แต่รู้มันไม่เคยเกิดเลยมันไม่เช่ว่ามีกิริยาการมันรู้บ้างไหมรู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างไอ้รู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยมันเป็นมันเอาขันห้าโครงแต่งไปรู้มันเลยรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ธาตุรู้เนี่ยมันไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยดับเราจึงไม่ได้เกิดเราจึงเพราะเราไม่เคยเกิดเราจึงไม่ได้ตายเราเหมือนกับหายตัวไป ไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติข้าเราที่สิ้นอวิชาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอยู่ในต่ทุกที่ไม่ถูกใครจับเอาไปอีกแล้วหาไม่เจอพระเจ้าจึงบอกว่าจิตวิญญาณที่สิ้นอวิชาแล้วก็เหมือนกับเปลวไฟที่สิ้นเชือหรือเหมือนเปลวไฟที่อยู่ต่อหน้าแล้วถูกเป่าดับึไแล้วเราบอกได้ว่าเปลวไฟที่ดับไปมันเป็นเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้ไอ้นั่นที่เราสมมุติให้ฟังว่ามันหาย มันหายไปเลยเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลธรรมชาติเราก็ใจว่าเออมันหายไปเหมือนเนยมันไหายไปไหนเราก็ดับไปแล้วจะไปตอบได้ยังไงมีผู้ถามพระเจ้าว่าจิตวิญญาณมันหายไปอย่างเงี้ยมันก็ไปมีอยู่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นอมตะใช่ไหมพระเจ้าบอกขาน่ามันดับแล้วไห้ทารู้เนี่ยจิตวิญญาณก็ดับไปเหมือนดับไปไฟดับจะไปบอกว่ามีอยู่เป็นอมตะได้เอจะไปบอกว่ามีอยู่ตลอดเวลาได้ยังไง เอาถ้าอย่างนั้นอ่ะคือจิตวิญญาณที่มันดับไปเหมือนเปลวไฟเทียนดับเนี่ยมันไม่มีเลยใช่ไหมเอ้าก็จะไปบอกว่าไงพราะว่ามันไม่มีก็ว่ามันดับไปแล้วแล้วก็มันก็หายไปอย่างเงี้ยจะบอกว่าไงมันไม่มีจะบอกว่ามีมีมีก็มีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเป็นอมะตะมีอยางเป็นอมตะท่านเจ้าบอกว่าผิดอีกเอาถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ไม่มีเลยใช่ไหมมันหายไปแล้วกลายเป็ น, นความไม่มีอะไรเลยเอามันจะไม่มีได้ไงลนะ่ะไฟเทียนดับไปเห็นเป็นจอหน้าจอตาเนี่ย มันก็ดับหายไปแล้วก็มันหายไปยังไงก็ไม่รู้จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่เอาถ้าอย่างนั้นตอบใหม่มีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีก็ไม่ใช่อีกเพราะว่ามันไม่ได้บ่มีอยู่ตลอดเวลาอ้าวแล้วกันไม่มีก็ไม่มีมันไม่ได้ไม่มีอยู่ตลอดเวลาเออบอกว่าแล้วบอกว่าไงบอกว่าขันห้ามันดับแล้วดับหมดแล้วจิตวิญญาณก็ดับไปเหมือนกับเปลวไฟที่สิ้นเชื้อตอบได้แค่นี้เองมันหายไปยังไงก็ไม่รู้ไมใครตอบได้ ไม่มีใครต้องพยายามอะไรภายในใจยิ่งพยายามมันจะมีแต่เรื่องของขัดของสังขารทั้งหมดแต่ยิ่งพยายามอะไรภายในใจมันเป็นเรื่องของสังขารหมดมันไม่เป็นวิสังขารได้เลยเพราะความพยายามพวกเสี้ยววิญญาณที่มีความพยายามภายในใจมันก็เป็นสังขารทั้งสี่มันต้องสิ้นสังขารถึงจะเป็นวิสังขารถึงจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรม ร, ธรมชาติของธาตุรู้เพราะธรรมชาติของธาตุรู้มันเพะมันมันเป็นวิสังขาร ขับภายในใจเรายังมีความพยายามยังเป็นสังขารอยู่ตลอดเวลาเราไม่ไดมีทางเป็นสังขารได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกับเป็นธรรมชาติของวิสังขารได้ภายในใจจะต้องไม่เป็นสังขารใดๆทั้งหมดคงมีแต่ขันห้าเขาแสดงสังขารแต่เราไม่ปรากฏอะไรเลยได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้แต่เราไม่เคยปรากฏอะไรเลยถ้าเราปรากฏเป็นสังขารไปเป็นผู้พยายามรู้ละปล่อยวางรู้ละปล่อยวางพยามพยายามพยายามพยายาม เราไม่มีทางเป็นวิสังขารนะเราทําอะไรไม่ได้เลยมีแต่ขันห้าแสดงอาการแต่เราไม่มีเด้แต่แคเนี้ได้แต่ธรรมชาติของทารู้ก็ได้แต่รู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นสิ่งนั้นยอมดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่าปรากฏขึ้นสิ่งนั้นยอมดับไปยังจินจีสมุทยะธรรมมาสัพพัญตังนิโรธาธรรมมันติ โอ้พระอัญโยโกนัญญาฝังธรรมพุทธเจ้าจบเพื่อ น, นั่นแหะในธรรมจั ก, กรกวนสูตรโอ้ยังกินจิสมุทัยะทำบังสัพพันตังนี่โลสะธรรมันติอ๋อมีแต่ขันห้าเนี่ยมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมาเสำรวจได้แต่แล้วไม่มีใครมาพยายามรู้ด้วยได้แต่รู้ว่าไม่มีใครมาเสำรวจไม่มีใครมาลองรั บ, ร ส, บ, ร ส, บสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะว่า ไอ้ที่พูดได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมันมารู้ว่าเนี่ยมีแต่สิ่งนี้เพราะว่ามันมารู้ว่าเนี่ยมีแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นสุดท้ายธรรมชาติของท่านรู้เนี่ยมันได้แต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครเสวยไม่มีใครไปรองรับเหลือแต่รู้ความจริงแค่นี้เนี่ยมันไม่ไล่รู้อาการอะไรหรอกไม่ไปไม่พยายามไปไล่รู้ละปล่อยวางหรอกมันได้แต่รู้ว่าไม่ใช่ว่าไปรู้นะอะไรนะรู้ว่ามีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมา แล้วสิ่งนั้นก็ดับไปไม่มีใครเข้าไปยึดมันนถดอฟังธรรมธรรมชากิวันสุดอนัตตลกนาสุดจบแค่ น, นั้นแหละบราาร ล, ญญลุอรหันต์เลยพุณเจ้าโอ้อัญญกุลทนญารู้แล้วหนรู้แล้วบรรลุเลยเราเลยทำอะไรไม่ได้เลยในใจเราอะเหลือแต่ยังกินจีนสมุทยาทำมางสับปันตังนี่เราท่าน เหลือแต่ทุกขณะปัจจุบันมีแต่กิริยาอาการมีแต่กิริยาอาการที่ปรากฏตามธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาส่วนธรรมชาติของผานรู้มันก็ไม่ได้ไปรู้อะไรไม่ได้ไปรู้อาการไม่พยายามรู้ล่าปล่อยวางมันได้แต่รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปลองรับ มันสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นผู้ลองรับแล้วท่านเหลือแต่แค่เนี้ว่าพ้นทุกข์แล้วรู้ว่าพ้นทุกข์แล้วก็คือรู้ว่าเนี่ยไม่มีผู้ไปรองรับอะไรแล้วมันเลยพ้นทุกข์รู้ว่าพบชาติ จ, จบแล้วสิ้นกิเลสแล้วเพราะไม่มีผู้ไปยึดมั่นถือมัน่นไม่มีผู้ไปลองรับอะไรกิเลสจบแล้วกิเลสสิ้นแล้วความทุกข์พ้นทุกข์ก็หมดสิ้นได้ความทุกข์ก็หมดสิ้นแล้วเพราะไม่มีผู้ยึดก็ไม่ทุกข์ได้แต่รู้แค่เนี้ย่ท่านรู้ตอนท้ายเนี่ย มันเหลือแต่รู้ว่าอย่างนี้แค่นั้นเองไม่ได้ไปรู้อาการหรือไม่รู้ละกไ่อวางอะไรหรอือรู้ว่ามีแต่อาการที่เกิดขึ้นนีแ่แค่ไปลองรับนี่แค่ไปสำรวจความทุกข์จบแล้วทั้งมวลกิเลส จ, จบแล้วความเป็นไรตายเกิดจบแล้วรู้แต่แค่นี้ยทั้งวันไม่ได้ไปรู้อาการรู้อะไรหรอกนั้นถ้าเราเนี่ยเราพยายามไปทําอะไรเขาเลนี่เดี๋ยวเสี้ยววินิทีเดียวเรากลายเป็นสำคาญทั้งหมด มีลูกศิษย์เราพยายาไปทำต่อหน้าต่อตาหลวงปู่หลวงปู่ทาจจรุธโมขนะทําอยู่ห่างท่านหนึ่งเยอะภายในจิตยพยายามพยายามไปทําพยายามไปทําไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางพยายามไปไล่รู้ ล, ละลปล่อ ย, ลยวางพยายามไปไล่รู้ ล, ละละองไปวางไล่มันไห้ทันทุกความคิดทุกอาการขนานั่งทำอยู่ไกล้ๆอ่ะท่านเรียกเขา อ, อะไรก่อนนูเรียกทําทอะไรสังขารหนึ่งนั้นเนี่ยปล่อยวางไปที่ให้หมด คือการเป็นไร่อย่างนั้นเราเป็นสังขารทางนั้นไหนกิริยาการที่มันเกิดขึ้นกับสังขารไอ้ที่เราเนี่ยพยายามไปรู้ไล่รู้ล่าปล่อยวางมันก็เป็นสังขารเนี่ยทาอะไรเนี่ยสังขารทางนั้นเน่ยทั้งไอ้สิ่งที่ถูกไปรู้ก็ไอ้ผู้ไปรู้เนี่ยมันก็สังขารทางนั้นนี่ยทําอะไรเนี่ยปล่อยวางไปได้หมดนี่ขนาดไปนั่งทำตั้งกายเลโดนเรียกเข้ามาอัดก็เลยปล่อยวางไม่ได้หมดทําอะไรเนี่ยสังขารทางนั้นน่ยเรามันเป็นคาเปรียบสมมตินะคําว่าเราไม่ะมีตัวเราคือว่าเป็นวิสังขาร เป็นผู้ที่ไม่สังขารแต่เรายังไปพยายามทําสังขารอยู่มันก็เลยเราอดหมดโอกาสที่จะเป็นวิสังขารพยายามไล่บางคนก็ทําเหมือนกับว่าจะไล่ให้มันทันทุกความคิดไล่ปล่อยให้มันทุกคิดเลยพอมีความคิดเกิดขึ้นก็ไปไล่จัดการชุกเหมือนกับพยายามจัดการให้มันตกประเด็นตกเวทีมวยไปเลยเนี่ยคือพอมีคนข้ามเชือกมาก็พอมีกิริยาการเกิดขึ้นมาก็เป็นไล่ชกปุ๊บเลยตกเวทีชุบชึกไปให้ต้องการให้เหลือแต่ใจที่ว่างเปล่า ใจที่ว่างเปล่าไม่ใช่รู้นะรู้มันได้แต่รู้ว่ามีตอนเนี้กิริยาการของใจเนี่ยหรือกริยาการของจิตเนี่ยมันว่างเปล่าส่วนรู้เนี่ยธรรมชาติของท่านรู้มันได้แต่รู้ซื่อๆว่าตอนเนี้ยใจว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าไปเอารู้เนี่ยนะเหมือนกับไปสร้างให้เวทีว่างเปล่าไปไล่รู้อะไรแล้วพยายามทนให้ให้ใจเนี่ยมันว่างเปล่าแต่ความจริงใจว่างเปล่ามันเป็นกริยาการรู้เนี่ยแต่รู้ว่าใจว่างเปล่า แต่ไปเข้าใจผิดแล้วไปไล่ความคิดไล่อาการทุกอาการให้มันหมดไปเพื่อจะให้ใจเนี่ยมันว่างเปล่าอันนี้มันเข้าใจผิดกัน ท, ทําเช่นเนี้ยไม่ทราบจะเข้าใจหรือเปล่ามันเราพูดมันสูงเกินไปเปล่าใครเข้าใจให้เข้าใจเลยซักให้เต็มที่นะอย่าไปอ่ ำ, ำอ่ำมึงอ<ะ>ึ้งไว้นะละเอียดมากเราก็พยายามจะพูดให้มันละเอียดสุดๆแล้วละเอียดยังไงเราก็พยายามพูดมันละเอียดสุดๆแ ล, แล้วยยลลที่สุดอะมันก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเงียบอย่างเดียว เราก็เชื่อว่าเราพูดเนี่ยมันเข้าใจได้ไม่หมดหรอกแต่เราก็พยายามจะสุดๆแลหกักตัวอย่างหาอะไรมาอธิบายหลายเรื่องหลายราหลายอย่างไ ม, ไม่ไม่อธิบายไพยายามพูดก็ไม่รู้เรื่องกันแลก็ถามหน่ยนะครับบอกว่านั่งฟังนเนี่ยมันเรื่องรู้เนี่ยกับวิสังขารกับวิสังขารเนี่ยมันอีอัดอีอดัอดอย่าตลอดเวลาเลยมันเหมืกลุกเลยนะนนเนี่ย แล้วมันก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้รู้รู้ไม่รู้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กราบว่าจะจะถามเนี่ยมันจะตรงกับใจตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ก็คืออย่างนี้ผมเนี่ยรู้รู้ว่าตัว เ, เองเนี่ยเป็นผู้รู้ชื่อเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยก็อย่างนี้ก็คือเช่นผมแต่งตัวออกจากบ้านไปงานงานหนึ่งแต่งตั้งตัวแต่งแต่งตัวอย่างดีเลยพอถึงก็มีคนทักว่า ตอนนี้รอทางเลยผมก็จะดีใจขึ้นมาเลยเฮ้ยเขาว่าเราหล่อเว้ยดีใจก็รู้ซื่อขึ้นมารู้เลยเออเฮ้เเยเราดีใจเลยเราดีใจเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสังขารหรือเ่าครับ น, น, นี่ยังกระจายไม่ถูกไม่ถูกอ๋อไอ้เนี่ยพยายามจะไปทําให้มันรู้ซื่อๆแล้วว่าถ้าเรารู้ซื่อๆได้เราจะเป็นนิพพานเราจะพ้นทุกข์อันนี้เราพยายามไปทําให้มันรู้ซื่อๆพอพอผมโกรธปุ๊บผมก็จะ ไม่รู้โกรธแล้วนะเนี่ยโกรธละโกรธละใช่อันนี้เป็นแค่ตัวสติปัญญาในขันห้าเป็นตัวแค่สติปัญญาในขันห้ามาเข้าใจอันนั้นเราโกรธได้เราโกรธได้แต่คือตามไปเดี๋ยวมันจะเป็นทุกข์อ๋ออันนี้มันยังยังไม่ใช่ตอนนี้ยัไม่ใช่นี่เป็นขันห้าเป็นขหน้ารู้สติในขันห้าสมาธิในขันห้าปัญญาในขันห้าที่มาช่วยตัวเองอ่ะไม่หลงไปกับอะไรยังไม่เป็นรู้ง่แต่รู้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราจะพูดอยู่แล้วก็คือแหมฟังรู้ักรู้กแหมมันรู้สึกขันในใจ มันมันมันไม่จะรู้ไม่รู้ครับไอ้ที่รู้เนี่ยมันคือรู้ปัจจุบันไงเกยยากันที่ปัจจุบันเนี่ยธรรมชาติของรู้เนี่ยมันไม่เปรู้อดีตหรอกมันไม่ไปรู้ว่ามันไป็รู้แบบเข้าใจแบบว่าโอ้ยตอนนี้เรามีอารมณ์เข้าชมเชยเราจะไปดีใจนะแต่นั้นไม่ใช่เรื่องขันห้าธรรมชาติของพ่ารู้เนี่ยคือมันรู้อย่างรู้อย่างตรงไปตรงมาในปัจจุบันเนี่ยพัดลมมาโดนเราเนี่ยพอพัดลมสายไปมันก็ไม่มีไม่มีลมมาโดนพอพัดลมมาสายมาตรงเราเนี่ยลมมาโดนเราเราก็รู้ขึ้นมาตรงตรงเลย คือรู้อันปัจจุบันเนี่ยเลยตอนที้บอกว่าไอ้ตอนที่ไม่รู้สึกว่ามันอึ้งอักใจไอ้อกิริยาการอึ้งอเนี่ยคือขอันห้าแต่ไอ้ที่รู้ว่าเนี่ยเรากำลังอึ้อักอยู่เนี่ยไอ้นั่นคือรู้คือธรรมชาติของธาตุรู้ อ, อ๋ อ, อผมก็มีธาตุรู้แว บ, บเดียวเลยเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับน่แน่ก็คือธาตุรู้แต่เราเข้าใจผิดคืออันนั้นน่ะมันมีทุกคนในสัตว์เดชฌานก็มีในคนธรรมดาก็มีแต่เราไม่ไม่เข้าใจมันน่ะมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไปเอาผิดตัวเราจะไปเอาไอ เออเอ้ยเวลาก็ชมเจอเราอย่าดีใจเออเราแสดงว่ารู้แหละเออคนเราจะดีใจเอออันนี้อย่าดีใจดีใจเอ่อแสดงว่าเรารู้อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันมันเป็นขันห้าที่มันปรุงได้มันทําเขาเข้าใจได้แต่รู้ว่าเนี่ยมันทําเขาเข้าใจไม่ได้คือเรารักอยู่เนี่ยไอ้ไอ้พยาการเรื่องนักเนี่ยมันคือขันห้าแต่ที่เรารู้กิยานเนี่ยเราไอ้นี่คือธรรมชาติของชาติรู้มันรู้จากตรงๆเลยอย่างที่เรากำลังเป็นในใจเรามันไม่รู้อดีตได้ไม่รู้อนาคตได้มันรู้แต่ สิ่งที่กระทบในปัจจุบันรู้อาการที่เกิดตอนนั้นเอยรู้ปัจจุบันขนาดจิตเลยเป็นปัจจุบันปัจจุบันอย่างที่ตรงไปตรงมานะอย่างที่มันเป็นเนะี่ยเป็นอย่างก็คือเป็นอย่างนั้นมันได้มันเป็นธรรมชาติของรูนะ้ไงเดี๋ยวไม่เข้าใจนเนี่ยพัดลมเนี่ยดูสิตอนพัดลมมันผ่านเราไปเนี่ยแล้วพัดลมมาโดนเราเนี่ยเรารู้ไหมรู้ครับรู้ลมมันเย็นมาโดนใช่ไหมนั่นแนละก็คือรู้อย่างนี้เนี่ย อย่างที่มันเป็นเราเป็นเนี่ขอแต่แต่ถ้าบอกว่าเออมันเย็นเียเนาะเอออย่างนี้เป็นเป็นขันห้าขอเป็นขันห้าคือมันมันพุ่มันมันมันผสมคําได้มันผสมคําได้มันปรุงแต่งได้อันเนี้ยเป็นขันห้าแต่รู้เนี่ยผสมคําอะไรไม่ได้แต่รู้อ๋ออย่างสมมติอ่ะนี่อย่างนิโคมติมันรู้เหมือนกันหมดทุกชาติทุกศาสนาเลยทุกชาติศาสนาเนี่ยหมาเนี่ยหมาแมวสัตว์เลีาเนี่ยมันมีท่านรู้หมดอ่ะเราไปตี ก็อย่างปุ๊บหลอกเองเลยเนี่ยตัวเราก็เจ็บทุกชาติศาสนาขูกเตีเหมือนกัลูกเหมือนกันหมดเลยเ <Okay. S 1> นี่ยคือรู้ว่าปุ๊บปุ๊บ <Okay. S 1> เจ็บเจ็บสัตว์เดชานเราไปตีมันหลอกเองมันวิ่งหนีเล ย, เยรู้หมดเลยนะแต่พอพูดสื่อภาษาแค่นั้นนะ่ะมันจะขันห้าเลย oh. ว่า oh. สัเอจอไม่จะคุบอเจ็บแต่พอชาติอื่นมันพูดว่าอะไรรู้เราก็ไม่รู้ว่าเจ็บ ชาติอื่นมันจะพูดว่าอะไรใครเจ่งภาษาอื่นบ้างอ๋อครับเขาเจ็บมันพูดว่าไงไอ้อย่างแย่ขันห้าแต่ไอ้ที่มันขึ้นมาเลยทันทีในปัจจุบันนั้นอ่ะเหมือนกันทุกชาติศาสนาเนี่ยคือรู้โอ้ยโนตีก็โอ้ยนี่นี่ไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่รู้แล้วใช่ไหมครับไอ้ตอนที่ขณะที่เราเจ็บโดนตีเจ็บไปเน่ะอาการนั้นเน่ยที่มันรู้อาการนั้นเน่ยคือชาติรู้คือชาติรู้มันรู้อย่าตอนนั้นเลยโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันคือมันตามหลังมาได้ภาษาแล้ว Uh huh. อ้แล้วโออไม่โทรยอโอ้ยแต่ภาษาต่างชาติพูดอะไรกันไม่รู้หมามันอาจจะล็อกเอ๋งอย่างเงี้ยโอ้ไอ uh ้ huh. ตอมันเจ็บอะ่ะคือมันเจ็บเหมือนกันแต่มันร้อกเองเ๋งเนี่ยมันปุงแน่ปรุงเือนภาษาหมาคือไอ้ไอ้รู้นี่ไม่ใช่ตัวเราเปพยายามรู้ไว้ที่ท่านบอกว่าเราต้องบอกว่าผิดกระจายผิดคือธรรมชาตินั้นมีอยู่แล้วตอนที่ท่านบอกว่าโอนแอนกำลังฟังโอน กำลังฟลงตานี่ยจิตใจอกันอึกอักอันนี้แหละคือธรรมชาติรู้คือในปัจจุบันเรารู้จริงๆว่าอรายังกลังอึกอักอยู่นี่แหละธรรมชาติรู้แต่ตอนที่บอกว่าธรรมชาติรู้เนี่ยเรากลับไม่ใช่ไปเข้าใจผิดตัวแต่กลับมาบอกว่าพอเขาชมเชยเนี่ยเราปยักอย่าดีใจอย่าดีใจอ่าเดี๋ยวผมรู้และผมอย่างเงี้มันรู้เ่าทันมันเป็นติีตอนที่ปัญญาที่เฉยพี่กอลเข้าใจมัน แต่รู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปเข้าใจอะไรเราไม่เข้าใจหรือว่าเราพยายามไปปรุงได้คือมันรู้อย่างธรรมชาติมันรู้ขึ้นมาเลยในปัจจุบัขนขณะปัจจุบัขนขณะมันเป็นธรรมชาติที่ต้องรู้อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เป็นของใครมันมันรู้ขึ้นมาอย่างที่มันเป็นธรรมชาติรู้เนี่ยมันเลยมีมีหมดแล้วในคนธรรมดาในหมาหมูหมากาแก่แก่เราจะสังเกตข้าราารทั้งหลายแต่เราเจะสังเกตเเเกถ้ารู้อย่างใช่ไหมครับเอออย่างใช่ไหครับหมายความว่า อาการอักอักเกี้เนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเนี่ยนี่คือธาตรู้อย่างนั้น้ไหครับเดี๋ยวไอ้รู้เนี่ยธรรมธรรมชาติของธาตรู้เนี่ยมันก็เป็นมันตลอดเวลาเนี่ยตอนเนี้ยอาพอฟังแล้วตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าอัากอักหรือว่าตอนนี้รู้สึกว่าโล่งดีโล่งขึ้นไอ้ไอที่โลง่งปุ๊บแล้วมันก็รู้ว่าโล่งเนี่ยนั่นแหละธรรมชาติของธาตรู้มันจะเปลี่ยนไปในขณะปัจจุบันแล้วมันจะบอกมันไ ป, ไ ป, ไ, ปไปอดีต มันจะเปลี่ยนมาอ่านปัจจุบันเลยเลยทันปัจจุบันขณะคือมันรู้อ่านที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันขณะเดียวเมื่อกี้มึกอักใช่ไหมตอนนี้ฟังๆไปเออมันเริ่มดึกอักน้อยลงมันมีอาการดึกอักน้อยลงหรือว่ามันมเริ่มรู้มากขึ้นอาการยังไงก็ตามเนี่ยอาจจะถ้าเป็นภาษาสมมุติมันก็จะมีชื่อมันแต่อาการจริงๆที่เราเป็นเราจะรู้เองว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าคืกอักดึนอักน้อยลงเราโลงมากขึ้นไอเดียรู้ลงมากขึ้นอันนี้คือลุงอ๋อผมยกตัวอย่างอีกางนึ่งครับ เด็พ่อไปเลยแฟนภรยาเดินกับคนอื่นปุกเอื้อกวงขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้คือใช่ไหครับเราคิดแค่ตัวรู้ไหขณะที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเนี่ยตาเราเห็นรูปเนี่ยอันนี้แหละรู้ขณะที่ตาเราเห็นรูปเนี่ยอันนั้นหละรู้ปุ๊บพอตาไปเห็นเห็นรูปเลยนนเรรแต่ที่ภรรยาเราเป็นขันห้ามันปรุงว่านี่เป็นภรรยาเราเป็นขันห้าแล้วก็ปรุงยาวว่าภรรยาเราไปเดินกับคนอื่นแล้วก็มีอารมณ์เนี่ยมันคือเป็นกระบวนการของขันห้า อ๋ออไอมโหเนี่ยเป็นไม่ใช่ ร, รู้แล้วเรารู้ว่าเรามโหเลยก็หยุดมอนไม่ใช่แล้วเขาเป็นเพื่อนกันองอันนั้นมันเป็นในนะั้นมันเป็นขันห้ากระบวนการาความเข้าใจของขันห้ามามามาทําความเข้าใจเพื่อให้เราเนี่ยไ ม, ไม่ต้องมีความทุกข์ลำบากแต่ไม่ใช่เป็นภาพจะเป็นภาพถ้ า, า, ารู้ถ้ารู้พอเราเร า, เราคุยอยู่อามีคนเดินเราันไปเห็นปุ๊บพอเห็นปุ๊บนั่นก็คือรู้แหละโอ้โอเคนั้นเองแต่ส่วนที่เกินไปสิ่งที่เลยไปนั้นก็เป็นขันห้าไปเรื่อยไปอ๋อครับครับ ดเดียวเองมันก็คือเห็นปุ๊บรู้สึกอะไรก็อ๋อนั่นนะคือรู้อืได้ยินอะไรี่ก็คือรู้ได้กินอะไรก็คือรู้แล้วแบบดูลมพัดพูดโอ้เย็นรู้เออรู้อะไรเงอะไรมีอารมณ์ยังไงมีอาการยังไงก็รู้เนี่ยก็เป็นรู้เนี่ยแต่รู้แล้วเราปรุงยังไงอะเจอนวลรู้เอ้านี่ภรรยาเราเนี่วะเนี่ยอ๋อไปเดินกับคนอื่นไอ้นี่มันเป็นขันห้ากระบวนการของขันหน้ามันจะต้อง รู้เนี่ยแล้วกระบวนการของขันห้ามันจะทํางานแบบว่าแต่มันจะรู้ว่าเห็นใครกับใครอย่างไรจําได้ว่าเป็นยังไงอะไรนี่เป็นกระบวนการของขันห้ารับรูได้กัมมชั้นรู้ก็คือรู้กัมม้ารู้เฉยๆกัมมชั้นของท่านรู้มันได้เลยรู้ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันเหมนเหมือนจะเข้าใจแล้วครับมันมันเหมือนก็จําไม่เข้าใจเหมือนจะเข้าใจ อ่อใเข้าใจสิที่เหมือนจะไม่เข้าใจก็เอาให้เข้าใจเลยซักมันไม่ต้องนอนเลยคืนนี้ซักเลยเอาอาอย่างผมผมนะครับผมอชอบเก้าอี้ที่บ้านอยู่ตัวนี้ตื่นเช้ามาตีห้าเนี่ยชอบมานั่งตัวนี้นั่งโอ้คมันสบายจังเลยนั่งไม่สบายจังเลยโออาการอย่างเงี้ยเป็นสุกออสบายจังเลย สบายอย่างเลยไม่อยากให้ใครในบ้านตื่นมาเลยเพราะว่าถ้าตื่นมาแล้วมาจะมาแอดอ่ะไอหนุ่มทําไม่มีทําไม่ น, มนี่อาการสบายนั่นน่ะรู้ว่าสบายเนี่ย อ, อันเนี้ไม่ใช่ได้นะครับ <S <s เดี๋ยวว่าอาจารย์ยังไม่ชัดเจนในเรื่องรู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้ะคือรู้นี่มันธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติตรงไปตรงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไปเป็นเน้นเดตรงอารมณ์เดี๋ยว รู้ว่อ่ะอาจารย์บอกว่านอนที่อาจารย์รู้ว่านอนเนี่ยอาจารย์รู้ว่านอนแต่ไม่ได้ว่าเรารู้ไปถึงว่านอนออนนอนนอนแต่เกินยาที่เรานอนลาบไปเนี่ยแล้วเรารู้ว่านอนลาบไปอย่างเงี้ยนอนตะแคงอะไรนอนเทียงอย่างเงี้ยแต่มันพิบัติตะแคงขวาอะไรตะแคงซ้ายอันนี้มันเป็นขันห้าแต่ก็ต้องรู้ประกอบกันอย่างเงี้ยไงคือประกอบกันให้รู้อะไรเป็นอะไรแต่ที่รู้อย่างที่ รู้รู้รู้รู้รู้รอย่างที่มันเป็นตรงตงเนี่ยเรานอนแต่แคงแค่น mm ี hmm. like like ้ก็คือรู้ตอนตะแคงนี้นอนหงายตอนนี้เรานอนอยู่ท่าทางอย่างเงี้ยเราลุกแล้มันก็รู้ว่าเราลุกคือรู้เนี่ยมันจะตามกำกับกิริยาการไปอ่ะคือมันรู้ธรรมชาติของมันเนี่ยตอนนี้เราเดินและเดินมาที่เก้าอี้นอนหงายเก้าอี้นอนกึ่งกึ่งตะแคงกึ่งนั่งกืองตะแคงที่บอกว่าเราบอกว่าสบายมันก็รู้ว่าเราไปนั่งตัวาอี้ตัวนี้เรานั่งตัวนี้ลงหย่อนกล่นไว้ท่านั่งเป็นท่านั่ง นั่งนั่งลงไปแล้วมันรู้สึกนุ่มดีสบายดีมันก็รู้ว่าเนี่ยมันสบายกายสบายใจมันรู้ว่าท่าเนี้ยมันอาการสบายกายสบายใจแต่มันไม่รู้แล้วว่าสบออายสบายมันไม่รู้มันรู้แต่ว่ามีอาการที่ไม่เจ็บก้นนั่งไปแล้วเจ็บก้นน้อยเจ็บก้นมากมันรู้แต่อย่างไงเจ็บเอแต่มันไม่รู้ว่าว่านี่เรียกว่าสบายแต่มันรู้แต่เราเนี่ยมันจําได้หมายรู้ว่านี่คืออารมณ์สบาย มันมีอาการขึ้น hehe, แล้วก็นอนแล้วเราก็คิดปรุงในใจว่าเออไม่อยากให้ใครมาตื่นมาตอนนี้เราอยากจะนอนก่ออีกนี้นานๆที่เราคิดเนี่ยม yeah, oh nah. so yeah, so right ันก็รู wow, mm ้ว hmm. like like ่าเรากำลังคิดรู้เนี่ยมันก็รู้ว่าเรากำลังคิดมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องสบายไม่สบายคือมันรู้รู้รู้รู้เรานี่แน่รู้กายรู้ใจเรานี่แน่รู้อย่างที่เราเป็นอย่างตรงไปตรงมาจริงๆในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมันก็ได้แต่รู้รู้รู้รู้เนี่ย รู้ตัวเรานี่เนี่ยร่างกายจุดตัวเรานี่ทั้งวนรู้ว่า <ๆ S 1> สบายนั่งอยู่รู้ว่าสบายอย่างนี้แล้วครับรู้นั่งขัสมาธินั่งสมาธิรู้ว่าเจ็บอย่างนี้แล้ครับ อ, ออตอนนี้คือรูอ้คแค่เนี้ยนะครับส่วนรู้แล้วเนี่ยมันปรุงจําได้ไหมายรู้ว่าเป็นใครเป็นอย่างไงนี่เป็นสามีใครเป็นภรรยาใครที่ไหนเป็นเรื่องของกันถ้ามันจะต้องมันจะต้องสื่อสารสัมผัสสัมพันธ์กันให้เข้าใจ เนี่ยขันห้าก็ต้องทํางานของเขาไอ้รู้มันก็รู้ไปเรื่อยเรื่อยรู้ทั้งร่างกายรู้ทั้งเวทนารู้ทั้งสัญญารู้ทั้งสังขารรู้ทั้งวิญญาณที่มันไปรู้เนี่ยมันไปรับรู้อะไรแล้วมันก็เห็นเห็นก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็รู้ว่าได้ยินอาจารย์เอาไปคิดไม่ใช่รู้อาจารย์พยายามจะคิดให้มันรู้ยิ่งเดี๋ยวก่อนเนี่ยเราเห็นเนี่ยอาจารย์นี่ยกำลังพยายามจะคิดให้มันรู้พยายามจะทำความเข้าใจให้มันรู้อันเนี้ยมันรู้ในความเข้าใจ เราคิดยังไงพยายามให้มันรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ารู้ด้วยความเข้าใจแต่ธรรมชาติของรู้เนี่ ย, ม, ยมันรู้ว่าตัวเรากําลังคิดอยู่นี่คือรู้ธรรมชาติมันรู้ว่าตัวเรากำลังกําลังคิดอยู่เนี่ยมันรู้แต่ที่เราคิดพยายามให้เข้าใจเนี่ยมันเป็นขันห้ามันเป็นเรื่องกระบวนการของขนัขงขนหน้าที่เราเราเนี่ยพยายามทำความเข้าใจคือรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้ถ้าเราใช้ความคิดไปคิดมันเป็นกระบวนการของขันห้าเพื่อทําให้เราเข้าใจแต่รู้เนี่ยมันรู้ว่าเราเนี่ยกาลังคิดอยู่ มันนิดเดียวเนี่ยความจริงมันไม่ได้ยากอะไรคือเป็นธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาเราคิดอยู่เนี่ยเรากําลังคิดมันก็รู้ตัวเรากําลังคิดแต่เราเนี่ยพยายามจะคิดให้เข้าใจตามที่เราพูดอันนี่มันเป็นขันห้าอพราะรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้ว่าเรากําลังคิดรู้ว่ารู้ว่าหลวงตากําลังพูดรู้ว่าหลวงตากําลังอธิบายอย่างนั้นนะครับก็รู้เสียงได้เฉยอะรู้แต่เสียง ออแต่รู้ว่าเราพูดว่าอะไรเป็นขันห้าอ๋อครับคือถ้ามันมันเข้าใจได้มันมีความระบบของความคิดความจําเขาเข้าใจได้ว่า น, นี่เป็นหลวงตาหลวงตากตาําลังพูดให้เราเข้าใจพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้นนคือถ้ามันเป็นความเข้าใจได้เป็นความคิดเป็นความประมวลผลได้มันมันเป็นขันห้าหมดอ๋อนันเป็นแต่รู้เนี่ยมันได้แต่รู้มันคิดไม่ได้ประมวลผลไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรูปพันณสถานใดๆไม่มีกิริยาการใดๆมันเล็กรู้ไม่ได้จําไม่ได้ประมวลผลไม่ได้ มันได้แต่รู้อ๋อกข้าใจครับก็คือรู้รู้รู้ว่าหลวงตากำลังเนี่ยพูดพูดคําว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างอย่างนี้แต่เสียงรู้เสียงรู้รู้เสียงแต่ได้ถ้าว่ารู้เสียงก็เฉยว่ามีเสียงอันนั้นคือตัวรู้แต่ที่บอกว่าเนี่ยหลวงตากําลังพูดว่ารู้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้น อ, อย่างนั้นไอ้สังหลังนี้เป็นเป็นคิดเป็นเอ่อเป็นการห้าเป็นขัรห้าห้าเป็นคิดเป็นความจำเข้าใจ แต่ยินเสียงอย่างเดียวผมเคยที่เที่ยวเที่ยวทีแล้วหลรงตาพูดว่าเห็นใบไม้ไหวอ๋อมันไหวเห็นตอนนั้นเหมือนจะเข้าใจแล้วเห็นใบไม้ไ ม, มันไหวเนี่ยมันมันไหวเฉยๆอ๋ อ, อเห็นก็เข้าใจได้เลยว่ามันไหวตอนนั้นเหมือนจะเข้าใจแล้วแต่พอพอไปไปเอ๊มันเหมือนไม่เข้าใจก็ไอที่เราบอกว่า เข้าใจมันก็เป็นขันมันก็เป็นคิดเป็กระบวน ก, บบรรการของขันห้าเป็รรกระบนแต่รู้ว่าใบไม้มันมีอาการไหวไหวนี่เป็นรู้อ่าครับยกตัวอย่างหลวงตาพวกธคำนั้นเข้าใจละแต่กอมาเอ๊ะมันยังไงแสดงว่ารู้ไม่จริงแสดงไม่ไม่ไม่เข้าใจนั่นเป็นเรื่องของการแบบเข้าใจยังไม่เป็นรู้นี่ผมเพิ่งได้วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับกึกกักกึกกัอยู่ในใจแสดงว่ามันยังมันยังไม่เข้าใจเรื่องรู้กับความเข้าใจเข้าใจมันเป็นเรื่องของขันห้า มันคิดได้เข้าใจได้แต่รู้มันเข้าใจไม่ได้มันได้แต่รู้รู้เท่าไหรอย่างเราเข้าใจเนี่ยรู้มันก็รู้ว่าเรามีอาการที่เออเข้าใจไว้แต่มันไม่ใช่คําว่าเข้าใจหล่กมันได้แต่รู้ว่าเรามีอาการที่มันโล่งขึ้นฟังแล้วแหมมันปึ๊อปิ้งอะไรก็ได้มันไม่รู้ว่าภาษาอะไรล่ะแต่มันรู้ว่าเราฟังแล้วปิ้งแต่ในใจเรามันเหมือนกับปิ้งแค่นี้เงี้ยแล้รู้มันก็รู้ว่าเราในใจเราปิ้งแค่นี้เงี้ยรู้มันรู้แต่ที่เข้าใจอเป็นเรื่องของขันห้า ครับเราจะไปตัดตอนขันห้าให้มันไอ้มันรู้เออรู้เออรู้เออไม่ต้องปรุงอะไรไม่ได้นะคือขันห้ามก็ต้องปรุงให้รู้เรื่องรู้ราวก็ต้องมีอาการนั้นแต่เราเนี่ยมีอาการเป็น ย, างงายนนังไงขันห้ามปรุงไงไอ้ลุงก็ได้แต่รู้ไม่ใช่ว่าไปทํารู้เออรู้เฉยเยรู้เฉยเยเออไว้มันจะได้แต่รู้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นขันห้าหมดเราทำไม่ถึงรู้เออรู้เออขันห้าไม่ต้องทํางานไม่ออใช่นะยับบัตรไมบัตรก็จะผิดไปแล้วคุณเข้าใจแลนะครับสงคาญครับเมื่อเมื่อคืนนี้ผมก็เข้าใจตองที่ หลวงตายกตัวอย่างว่ามองป้ายนะผมเคยเอ้าบอกว่าให้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยผมอ่านผมไม่เห็นป้ายอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรที่ว่าป้ายว่าไงสต่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หลวงตาพูดแล้วผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจตรงนั้นครับคือขันห้ามันก็จําได้ว่ามันอ่านภาษาไทยออกดิเราเรียนมานี่ไอขันห้ามันจําได้หมายรู้ว่าอะไรเนี่ยขันห้าเนี่ยมันไปอ่านป้าย มันก็อ่านป้ายไอ้รู้มันก็รู้ว่าเราได้กำลังอ่านป้ายโอ้แค่นั้นเองก็แค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าขันห้าไม่ทําอะไรเลยรู้แต่ป้ายไม่รู้ว่ามันว่าอะไรครับลูกตาบอกว่าให้รู้เฉยรู้เฉยให้มันรู้แต่ป้ายว่าแต่ย่าให้มันรู้ความในป้ายหลายคนก็ฝึกแบบนี้นะใช่ครับผลก็เลยเฮ้ยังไงแล้วต่อไปนี้เราก็เห็นป้ายอะไรก็ไม่รู้มันเขียนว่าอะไรเราเลยกลายเป็นเด็กน่ะไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์เราหาว่าลูกตายสอนลูกสิบเทีย่ยวด้วยวะไร เมื่อคืนนี้เข้าใจว่าเมื่อคนเข้าใจครับอรขอบคุณมากครับ